ผู้ใฝ่รำได้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆให้มาใช้ใจเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางใจด้วยการบําเพ็ญปฏิบัติธรรม ที่เรียกว่าจิตตภาวนาและเนคขมมะเพราะว่าการหาความสุขทางใจด้วยใจด้วยด้วยการปฏิบัติเนคขมมะและการเจริญภาวนานี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกาย เป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่ามั่นคงกว่าเป็นความสุขที่ใจสามารถมีได้ทุกเวลาไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพแบบไหนก็ตามร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายจะตายไปใจก็ยังสามารถมีความสุขได้ จากการบำเพ็ญจิตภาวนาและการปฏิบัติในคขมมะนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะเพียรพยายามสร้างความสุขทางใจกันขึ้นมาเพราะว่าเป็นความสุขที่เราสามารถยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งของเราได้เวลาที่ร่างกาย อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขให้กับเราได้เราก็ยังสามารถที่จะมีความสุขทางใจได้ถ้าเราได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องต่อไปมันก็จะเป็น ความง่ายในการที่จะทำให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมาได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรให้ความสำคัญและปฏิบัติตามที่พูะเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติกันคือวันพระนี้ ให้เราหยุดทำงานทำการทางโลกหนึ่งวันหยุดการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พชนิดต่างๆแล้วก็ไปหาสถานที่สงบสงบัดวิเวกตามวัดต่างๆที่มีการบาเพ็ญ จ, จิตตภาวนามีการปฏิบัติเนคขมเนขมธรร ม, ม เพื่อที่จะได้มีความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเรามีการปฏิบัติทุกวันพระต่อไปเราก็จะมีความชานิชำนาญในการที่จะสร้างความสุขทางใจขึ้นมาได้และหลังจากที่เราได้สัมผัสกับความสุขทางใจแล้ว ก็อาจจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความสุขทางใจมากกว่าความสุขทางโลกทางร่างกายและก็อาจจะทำให้เรามีฉันทวิทยะในการที่จะบำเพ็ญความสุขทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนสามารถ ปฏิบัติได้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีสามารถมีความสุขทางใจได้ตลอดเวลาดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันมาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวกแต่ละรูป ก, ก็ดีท่านก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระเลยก่อนที่จะ มาเป็นพระท่านก็เป็นคารวะผู้คลองเรือนเหมือนพวกเราทุกคนแต่หลังจากที่ได้มีการสัมผสัสรับรู้ได้ยินได้ฟังเรื่องของความสุขทางใจที่เห็นว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าที่ยั่งยืนกว่าที่มั่นคงกว่าความสุขทางร่างกายก็ เ, เลยทาให้เกิดมีศรัทธาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติ สร้างความสุขทางใจขึ้นมากันแล้วหลังจากที่ได้บําเพ็ญในเบื้องต้นก็บําเพ็ญในวันพระก่อนเพราะตอนที่เป็นคารวะก็ต้องมีภารกิจการทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะมีวันว่างก็วันหยุดทางานซึ่งสมัยก่อนนั้นวันหยุดทางานก็จะไปตรงกับวันพระพอดี พอถึงวันหยุดทํางานเป็นวันพระก็จะเข้าวัดกันเขาวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปรักษาศีลบําเพ็ญในฆามะบารมีไปปฏิบัติจิตตภาวนากันทํากันไปลองลองผิดลองถูกกันไปจนเกิดผลขึ้นมาพอเกิดผลขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น เกิดเฉียนทวิริยะจิตตะวิมังสาเพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มเวลาของการศึกษาและการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็พร้อมที่จะสละชีวิตของคารว่าทุกขครองเรือนเพื่อไปบำเพ็ญชีวิตของนักบวช เพื่อจะได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แล้วหลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลายกเว้นเวลาหลับไม่ไม่นานไม่ช้าก็เร็วก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันตสาวกขึ้นมากัน พวกเราทุกคนก็เป็นเหมือนกับพระอาจารย์ตถาวกในอดีตผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาจารย์ตถาวด ก, ก่อนพวกเราท่านก็เป็นคารวะทุกคลองเรือนเหมือนพวกเรามีภารกิจมีธุระอะไรเหมือนพวกเราทุกคนแต่หลังจากที่ได้มาสัมผัสทำอนเนอันประเสริฐนี้แล้ว<ม>ก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมา เกิดวความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถบรรลุทําขั้นต่างๆได้ตามลําดับต่อไปอย่างแน่นอนดังนั้นควรจะยึดวันพระนี้ไว้ให้ดีอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราควรจะมีวันพระหนึ่งครั้งด้วยกันซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทํางานของพวกเรา เช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดทำงานก็พอดีเป็นวันพระพอดีแต่ข่าวหน้าวันพระก็จะเลื่อนไปเป็นวันจันเป็นวันอังคารไล่ไปเรื่อยถ้าเรายังถือปฏิทินวันพระเดิมอยู่พอวันพระตรงกับวันจันเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้เพราะเป็นวันที่เราต้องไปทำงาน เราก็จะเสียเวลาเราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการบําเพ็ญจิตตะภาวนา<ม>ปฏิบัติเนคขมมะกัน<ม><ม>เพราะเราต้องไปทำงานทำมาหากินดังนั้นเราควรที่จะปรับวันพระของเราให้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เราก็ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เป็นวันพระของเราแทนวันพระตามปฏิทินเดิมที่ใช้กันอยู่ในอดีตเพราะว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงก็คือวันพระไปไปตรงกับวันทำงานเข้าก็เลยไม่สามารถที่จะมาวัดมาปฏิบัติมาบำเพ็ญได้แต่ถ้าเราถือวันพระเป็นวันหยุดทำงานของเรา คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เราก็ยังจะมีวันพระให้เราได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติกันอยู่นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราอาจจะต้องมีการปรับปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยให้ทันกับภาวะของโลกที่เปลี่ยนไปวันพระสมัยนี้ไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราเสมอไปถ้าเรารอให้ตรงกับวันหยุดแล้วค่อยมาบาเพ็ญ คราวหน้าวันพระกว่าจะกลับมาตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็อีกเดือนกว่าสองเดือนขึ้นไปช่วงนั้นเราก็จะไม่มีวันปฏิบัติธรรมเลยไม่มีวันบําเพ็ญจิตตภาวนาไม่มีการปฏิบัติเน่ัมขมาทำได้เลยเพราะเราจะต้องไปทำมาหากิน <c oughs> แต่ถ้าเราเปลี่ยนวันพระของเราให้มาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของเรา เราก็จะมีวันพระทุกอาทิตยเหมือนเดิมเราจะได้มีการปฏิบัติอย่างเสมอเหมือนเดิมแะพอเราได้ผลจากการปฏิบัติแล้วเราก็อาจจะเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มวันหยุดให้มากขึ้นก็ได้พอเราเริ่มเห็นคุณค่าของความสุขที่ได้จากการปฏิบัติว่าเป็นความสุขที่ เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการหาราบยศ ส, สรรเสริญหารูปสเสียงกลิ่นรสผลตภะมาเสพกันเราก็อาจจะต้องปรับแผนการดำเนินชีวิตของเราใหม่อาจจะเพิ่มวันการเพิ่มการปฏิบัติทําให้มากขึ้นเพิ่มวันพระให้มากขึ้นลดการวันทำงานให้น้อยลงไปเช่นถ้าเราเคยตอนนี้ทำอาทิตย์ละห้าวัน ต่อไปล้าอาจจะปรับลดเหลือห้าหรือสี่วันเหลือสามวันเพิ่มวันปฏิบัติทําให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอจนในที่สุดเราก็อาจจะสามารถปฏิบัติทําได้ทุกวันมีวันพระทุกวันมีวันบำเพ็ญปฏิบัติทําได้ทุกวันถ้ามีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นผลก็ย่อมปรากฏ ตามมามากขึ้นตามลำดับนั่นเองเพราะการปฏิบัตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้ผลคือความสุขความสงบของใจมีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การมีความเพียรปฏิบัติทำสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลคือความสงบสุขของใจเท่านั้นเอง ถ้ามีเวลามีความเพียรปฏิบัติธรรมมากขึ้นผลคือความสงบสุขใจ mm. ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ mm. มันไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้น mm. อยู่ที่ตัวเราเอง mm. การปฏิบัติธรรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้บอกแนวทางของการปฏิบัติให้กับเราก็ตาม แต่เรายังต้องพึ่งตัวเราเองอยู่เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำให้กับเราได้ <c oughs> ทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง <c oughs> อัตตาหิอัตโนนาทุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความสุขทางใจขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้บำเพ็ญในขัมมะทำเอง เป็นผู้ที่จะต้องบาเพ็ญจิตตะภาวนาคือทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดเอง mm hmm. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเพียงมีหน้าที่เพียงถังสอนเป็นผู้บอกทางเป็นเหมือนแผนที่ mm hmm. เวลาที่เราเดินทางไปไหนที่เราไม่เคยไปมาก่อนเราก็ต้องอาศัยการดูแผนที่หรือการสอบถาม จากคนที่เคยไปมาแล้วว่าสถานที่ที่เราต้องการจะไปนั้นไปอย่างไรพอเราได้สอบถามได้รู้ว่าการเดินทางจะต้องเดินทางไปทางทิศทางไหนแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ออกเดินทางถ้าเราไม่เดินทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ แต่ถ้าเราไม่มีคนบอกทางให้เรารู้ว่าสถานที่เราจะไปนั้นต้องไปในทิศทางไหนถ้าเราไปแบบไม่รู้ทิศทางเราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้เราก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ที่รู้สถานที่นั้นแล้วว่าอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> น่าจะไปในทิศทางไหนอย่างไร <c oughs> เราก็ต้องศึกษาจากผู้รู้ ้ที่มีประสบะการณ์มาก่อนเอาุทธธรรมประสงค์ก็เป็นผู้รู้ผู้มีประสบะการณ์ในการสร้างความสุขทางใจมาก่อนท่านได้สร้างความสุขทางใจของท่านจนสำเร็จรู้เรื่องได้ผลอันเลิศอันประเสริฐแล้วท่านก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำคำสั่งสอนถ้าเราอยากที่จะได้พบกับความสุข อันเล น, นประเสริฐของใจว่าจะต้องทําอย่างไรเราก็ต้องอาศัยผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอานารย์ตถาวกก็ดีหรือพระธรรมคํ า, ส, าำคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่มีบรรทุกไว้ในพร ะ, พระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเราต้องศึกษาน้าเรียนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อน ว่าการที่จะทำให้จิตใจของเราสงบให้มีความสุขนั้นต้องทำอย่างไรบ้างเัง <Ừ. S 1> นั้นเราก็ต้องศึกษาการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นวิธีการศึกษาวิธีหนึ่งนอกอจากการอ่านหนังสือก็ดีหรือจากการที่เร า, าได้ฟังจากเสียงที่ได้บันทึกเอาไว้ ของคูบาจารย์ในอดีตก็ดีวิธีการเหล่านี้เรียกว่าเป็นวิธีการศึกษาปรึกษาทํามันทํามันเลิศอันประเสริฐว่าจะทําอย่างไรให้ทํามันเลิศอันประเสริฐนี้เกิดขึ้นมาได้พ อ, อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะต้องนําไปปฏิบัติเพรา ะ, ะ, ะถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับ ได้รู้แล้วว่าทิศทางที่เราจะต้องไปนั้นอยู่ทิศทางไหนแต่เราก็ไม่ออกเดินทางเสียทีถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เราก็ต้องออกเดินทางเราก็ต้องปฏิบัติก<ม>ารที่จะทำให้ใจของเราสงบมีความสุขขึ้นมาเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติขั้นแรกก็ต้องมี ปฏิบัตินคข ม, มะธรรมเนคข ม, มะนี้แปลว่าการออกจากการมสุข<ม>คือการละเว้นการหาความสุขทางกามคุณทั้งห้าคือละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>ด้วยการรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองรยิบเจ็ดเหล่านี้ล้นเป็นนคข ม, มะ เกิดผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขทางใจจําเป็นต้องงดการหาความสุขทางร่ง า, างกายทางกรมคุณห้าทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเพราะเป็นความสุขที่ขัดกันขวางกันถ้าจะเอาความสุขทางการมเราก็จะไม่สามารถหาความสุขทางใจทางความสงบได้ถ้าเราต้องการหาความสุขทางใจ ความสงบเราก็ต้องไม่หาความสุขทางการทางรูปเสียงกลิ่นรสผุดเถ้าเพราะความสุขสองรูปแบบนี้ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันความสุขทางการนี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งใช้การเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆส่วนความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ต้อง หนีออกจากรูปเสียงกลิ่นรส<อ>ไม่สแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสหาความนิ่งความสงบหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้หมดไป<อ>จึงเป็นความสุ ข, ขคนลาด้านกันเหมือนความสุขทางทิศเหนือกับความสุขทางทิศใต้ไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกัน<อ>ต้องแยกต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง<อ>ถ้าอยากดังการความสุขทางการ<อ>ก็ต้องใช้ ความคิดปรุงแต่งต้องเข้าวิ่งเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมามาเสกแต่ถ้าต้องการหาความสุขทางใจก็ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งต้องปลีกวิเวกนีจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเบื้องต้นก็ใช้นี่อขมมะทำเป็นเครื่องสนับสนุนคือการถือศีลแปดนี่ นอกจากละเว้นการกระทำบาป4ี่ข้อแล้วคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพูดปดการดื่มสุรายามเมาแล้วก็มาละเว้นการเสพความสุขทางกามทางกรรมคุณ5เช่นศีลข้อที่3ของศินหก็จะเป็นจากกามเมมาก็จะเป็นอ布拉 ม, มัจริยาการมเมนี้ยังอนุญาตให้มีการเสพกรรมคุณหได้อยู่ แต่พอถือศีลแปดศีลข้อนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอบ ร, ร, รยิยมรรคกิจะจะถือการประพฤติแบบพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือการไม่เซ็ไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเอาเวลาที่จะไปใช้กับการร่วมหลับนอนมาบำเพ็ญจิตตภาวนากันแล้วก็ศีลก็หก ก็ให้งดการหาความสุขจากการเดิมเครื่องเดิมหรือรับประทานอาหารต่างๆมากขึ้นมากเกินไปตามความต้องการของความอยากให้เดิมให้รับประทานอาหารพอเลี้ยงดูร่างกายได้ซึ่งก็สามารถทําได้ภายในช่วงเวลาก่อนเที่ยงวันไม่ให้หาข้อ อาหารหารเครื่องดื่มมารับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าๆไปเพราะถ้าเป็นน้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรสนี้ก็จะเป็นการเสพกามะคุณร่างกายไม่ต้องการการมคุณร่างกายเวลาหิวน้นํานี่ร่างกายต้องการน้ำํำดื่มน้ําถ้าดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ําเปล่าๆก็พอเพียงถ้าถ้าดื่มเพื่อกิเล ดื่มเพื่อการมาคุณห้าก็ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติมีรูปสีสันต่างๆมีกลิ่นต่างๆผู้ปฏิบัติในธัมมะก็จะต้องละเว้นการเสพอาหารเสพเครื่องดื่มมากมากเกินไปเสพตามความต้องการของร่างกายอาหารแค่มือสองมื้อก็เพียงพอกับการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปได้อย่า ง, างน้อยก็หนึ่งวัน หลังจากเชี่ยงวันไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมากังวลกับการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆอีกต่อไปจะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิบาเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้นิ่งให้สงบต่อไปแล้เสียงข้อเจ็ดก็ละเว้นจากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะในรูปแบบของเครื่องบรรเทิงต่างๆหมอรศต่างๆ การร้องลำทำเพลงการดูภาพยนตร์ดูละครดูการละเล่นต่างๆหรือการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ mm hmm. ก็จะละเว้นกัน mm hmm. แล้วก็ละ mm hmm. แล้วก็ละเว้นการเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตรพิสดารด้วยเครื่องหอมเครื่องน้ำมันต่างๆทงเหล่านี้เป็นการเสริม เรื่องของการมาคุณเรื่องของรูปเสียงรูปรูปรูปของร่างกายให้ดูสวยงามให้ดูน่ารักให้ถูกอกถูกใจความอยากของของกิเลสก็ควรที่จะละับการกระทำเหล่านี้เพื่อจะได้มีเวลามาให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนาแล้วข้อที่แปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไป ถ้านอนบนฟูกนาหนาะนอนบนเตียงสำราญก็จะนอนมากเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการปกติร่างกายถ้าได้พักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนานะที่สุขที่สบายพอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วใจก็ยังไม่อยากจะลุกใจยังติดกับความสุขจากการนอนบน บนเตียงบนผูกหนาๆก็นะจะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงก็จะทําให้สูญเสียเวลามีค่าของการปฏิบัติจิตตภาวนาไปนะก็ไม่ควรนอนบนเตียงสําลานเตียงที่มีผูกหนาๆนะให้นอนบนเตียงหรือบนนอนกับพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อก็พอนะถ้าปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อบนพื้นแข็งๆเวลาร่างกายเหนื่อย เมื่อแล้วก็จะหลับนอนได้ทีห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมาบําเพ็ญจิตตาภาวนาต่อไปได้อนี้คือการบําเพนน็ญเนคขมะทมในวันพระในวันปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาเวลาที่ได้มาจากการเสพกรรม ในรูปแบบต่างๆนี้มาให้กับการเจริญสติ ม, มาเจริญจิตตภาวนา<ม>เบื้องต้นก็บำเพ็ญจิตตภาวนาในรูปแบบของสมถภาวนาคือทำจิตใจให้นิ่งให้สงบที่เราเรียกว่าสมาธินี่ก<ม>ารทำใจให้สงบนิ่งเวลาจใจนิ่งสงบนี้เราก็เรียกว่าใจอยู่ในสมาธิใจปราศจากความคิดภุงแต่ง ใจมีความสงบมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง mm hmm. มีอุเบกขาใจปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลง mm hmm. ถ้ามีใจที่สงบมีความสุขแล้ว mm hmm. ก็จะมีพลังในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนาขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาเพื่อมาใช้ละความโลภความ อยากต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปปก็ดีใจของผู้ที่ไม่มีสมาธิมักจะหิวโหยกับความความสุขทางกามารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พอมีสมาธิแล้วความหิวโหยนั้นก็จะหายไปลึกหยุดไปชั่วกขา่าวและเวลาออกจากสมาธิมาความหิวโหยก็ยังก็ยังไม่เกิดขึ้นมามากมีเวลาเกิดขึ้นมา ก็สามารถสอนใจให้เห็นถึงคุณค่าของความสุขทางธรรมเห็นโทษของความสุขทางทางกามคคณห้าได้ก็จะสามารถละความอยากที่จะไปเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสจนสามารถที่จะตัดได้หมดเลยเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ที่จะได้จากการไปเสพกลามแล้วการที่ไปเสพก็เป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องมีการเสริมมีได้มาได้มาแล้วก็ต้องมีการสูญเสียไปในที่สุดเวลาสูญเสียก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาสู้อยู่กับความสงบด้วยกว่าอยู่กับการไม่เสพกลามตัดความอยากจากการเสพกลามไปพอตัดความอยากในการเสพกลามได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบ ใจก็จะสบายใจก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีอะไรมาให้เป็นเครื่องมือในการเสอไปเวลาร่างกายไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็อยู่กับความสงบได้อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบได้นี่คือเป้าหมายของการบำเพ็ญเพื่อ สร้างความสุขทางใจคือความสงบขึ้นมาซึ่งความสงบก็มีสองระดับระดับแรกเกิดจากการทําใจให้สงบด้วยการเจริญสติเข้าสมาธิระดับแรกนี้เป็นความสงบแบบชั่วคราวอยู่ในสมาธิได้ชั่วครั้งชั่วคราวได้ความสุขแบบชั่วคราวออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาได้ใหม่แล้วก็อยากสร้างความวุ่นวายให้กับใจขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความวุ่นวายนี้หายไปหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นโทษของสิ่งที่อยากว่ามันเป็นทุกข์จะนำไปสู่ความทุกข์ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่ทปรากฏขึ้นมาได้ในขณะที่ออกจากสมาธิมา ถ้ามีปัญญาเห็นโทษว่าความอยากเป็นตัวสร้างความวุ่นวายให้กับใจแล้วสิ่งที่อยากก็เป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะสามารถล่าความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อใจไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะไม่วุ่นวายต่อไปใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เหมือนกับเข้าสมาธิ เพราะว่าเวลาเข้าสมาธิก็หยุดความอยากนั่นเองแต่ถ้าใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็เหมือนกับเข้าสมาธิได้ความสงบเหมือนกันนี่แหละคือความสงบที่แท้จริงความสงบที่ยั่งยืนถาวรที่เราเรียกว่าพะนิพานกันสงบจากการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือแนวทางของการบาเพ็ญในวันพระเรามาเจริญเนคขมะ ทำเพื่อให้เราได้มีเวลาให้กับการบําเพ็ญสมมะถะภาวานาและวิปัสสนาภาวานาตามลาดับเพื่อกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดและก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะมาเสพกามอีกแล้วไม่ต้องมีความอยากที่จะมาเสพความสุขของสังสารวัฏของไตพบริบต่อไป นี่คือเป้าหมายของการบำเพ็ญแล้วก็เป็นสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้เวลาที่กำหนดไว้ก็คือประมาณสามสิบนาทีแรกนี้จะให้กับการแสดงธรรมฟังธรรมกันแล้วสามสิบนาทีต่อไปนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติส ม, มถะภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมา หรือเป็นคณิกะสมาธิขึ้นมาจะเป็นคณิกะหรืออัปปนาสมาธิคือนิ่งสงบได้ก็ต้องมีมีสติคอยกํากับใจคอยควบจุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆให้ผูกใจไว้กับกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ที่สามารถยับยั้งความคิดปรุงแต่งของใจได้กรรมฐานก็มีอยู่สี่สิบชนิดที่มีสแสดงไว้ในพระคัมภีร์ แต่เวลาปฏิบัตินี้เราก็ใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะกับจริตของเราอย่างที่เคยพูดเสมอก็ที่ส่วนมากก็จะมีอยู่สามสามสี่ชนิดด้วยกันที่มักจะใช้กันในวงการปฏิบัติถ้าใช้พุทธานุสติก็ให้ลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าลำ เ, เลึกถึงพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้า ใช้ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าเป็นการเจริญอานาปนสติก็ดูเฝ้าดูลมที่เข้าออกทางทางร่างกายที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเราต้องการให้ใจนิ่งๆเฉยๆถ้าตามลมเข้าลมออกใจก็ยังต้องเคลื่อนไหวใจยังต้องทํางานอยู่ให้ใจนิ่งๆรู้เฉยๆให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกลมจะสั้นจะยาวจะหยาบหรือละเอยียดก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับลมให้รู้เฉยๆไป ถ้ายัางดูลมไม่ได้ยังใช้คําบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็อาจจะใช้ธรรมานุสติคือการนำเรื่องถึงพระธรรมคําสอนต่างๆด้วยการสวดมนต์บทสวดมนต์ต่างๆก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะสวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดบทอิติปิโสก็ได้สวดอาการ3 2มของร่างกายก็ได้แล้วแต่จริตของผู้ปฏิบัติว่าเหมาะกับกรรมฐานแบบไห น, นก็ใช้แบบนั้นไป สวดไปเรื่อยๆจนใจหายฟุ้งซ่านแล้วสามารถมาดูลมได้สามารถมาพุทโธได้ก็หยุดการสวดมนต์แล้วเปลี่ยนมาดูลมแล้วมาอยู่กับพุทโธแทน mm hmm. ข้อสําคัญก็คือเวลานั่งสมาธิเพื่อจาใจให้นิ่งนี้ใจจะต้องมีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ ต, mm hmm. ต้องมีพุทโธก็ดีมีการดูลมหายใจก็ดีมีการสวดมนต์ก็ดี ก็จะสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดได้พอไม่ลอยไปควาองคิดความคิดก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะนิ่งสงบขึ้นมาได้พอนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรตฉะนั้นจิตก็จะไม่เคลื่อนไหวจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรจิตก็จะรู้สึกเย็นสบายมีความสุขก็อยากจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นไปเรื่อย ก็ให้ใช้สติคอยประครับประคองถ้าเกิดความคิดขึ้นมาก็หยุดความคิดนั้น mm hmm. ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้คำบริกรรมใหม่หรือใช้การดูลมใหม่ต่อไป mm hmm. ในระหว่างที่เวลานั่งถ้ามีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ mm hmm. ก็อย่าไปอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจเพราะถ้าไปตามรู้แล้วเดี๋ยวก็จะไปกับความคิดปุงแต่งต่างๆ mm hmm. ให้เกาะติดอยู่กับกรรมฐานไปตลอด กรรมฐานที่เราใช้อยู่ถ้าใช้ลมก็เกาะติดกับลมไปถ้าใช้พุโทโธก็เกาะติดกับพุโทโธไปอย่าไปตามอะไรที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดีเสียงก็ดีหรือความรู้สึกที่ของทางร่างกายก็ดีอาจจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้รีบกลับมาที่กรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้ แล้วอาการเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองมันก็จะไม่มารบกวนใจเรานี่คือวิธีการนั่งแบบสังเกตที่เอามาฝากท่านก็ขอให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับท่านและต่อไปนี้เราก็จะมาทำการนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันจนกว่าจะหมดเวลา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 ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็หมัน่นเจริญสติในระหว่างวันให้มากขึ้นหมัน่นเจริญพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดถ้ามีพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆใจก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นพอนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นถ้าต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหะปูระปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปการปติอ an ิท e ิตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวะสมิชัตุสัพเทปุเรนตุสังขปาจันโทปนะระโสยะถามณนโชติ อะระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตปาวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสิลิตะนิจจังวุทฒาปจายีโนจะตารโหธมาวทานเตอายุวันโอสุขัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่น้อมกลับนามส ก, การเช้าค่ะผู้รับฟังธรรมะหน้ากุติวันนี้ทั้ง Facebook 270 Youtube พระสุชาติ l i k e 334 Youtube ด็ร์46วิทยุออนไลน์11 Clubhouse 2ผู้รับฟังหน้ากุติ222รวม885ท่านเจ้าค่ะ คำถามจากทางอินบ็อกซ์เจ้าค่ะจากคุณนัชชามักจะเห็นโครงกระดูกบางทีเห็นเป็นโครงแห้งบางทีเห็นมีเส้นเลือดการเห็นคือเป็นภาพในจิตแบบนี้เป็นอุปทานหรือไม่และโยมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะคือการเห็นภาพโครงกระดูกนี้เราเรียกว่าเป็นการเห็นอสุภะนี้เราต้องการใช้อสุภะมากาจัดกามราคะ เวลาที่เราเกิดมีกามอารมณ์ขึ้นมาเช่นถือศีลแปดแล้วยังอยากจะไปนอนกับแฟนก็ mm hmm. ให้นึกถึงโครงกระดูกของแฟนก็ mm hmm. จะได้ไม่อยากจะไปนอนกับเขาระงับดับกางมาราคาได้ที่นี้ต้องทำบ่อยๆทำให้มันฝังอยู่ในใจเวลาเกิดกางมาราคาขึ้นมาก็ใช้อสุภะดับความอยากเหล่านี้ได้ คำถามจากทางยูทูบพระสุชาติเจ้าค่ะจากคุณเมล่อนป่านศิลปศาสตร์ในมงคลสูตรหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะก็ศิลปะต่างๆไงวาดภาพร้องราทําเพลงอะไรก็เรื่องงานศิลปะเลยคําคถามจากคุณพาดาเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมมีความเคารพต่อพระอริยสงฆ์อย่างมากหลายวันมานี้มีอาการไม่ค่อยปกติเวลานั่งสมาธิหรือฟังเทศจากพระอริยสงฆ์จะมีความคิดที่ไม่ดีมีความคิดจับจ้วงต่อท่านโผล่ขึ้นมาตัวผมไม่มีเจตนาใดๆเลยครับใช้พุทโธสู้กับความคิดใช้ปัญญาสอนตัวเองผมไม่สบายใจมากๆเลยกลัวบาปสุดๆ อาการแบบนี้เกิดจากอะไรและผมต้องแก้ไขอย่างไรครับเกิดจากกิเลส ข, ของเราความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจความไม่รู้ความจริงต่างๆก็เลยทำให้เราคิดไปต่างๆนานาได้ก็คอยสอนใจว่าคิดแบบนี้ไม่ดีแล้วกอ็อย่าคิดมันพยายามใช้พุทโธพุทโธคาบมลิกรมหยุดมันไปคำถามจาก y o u t u b e เจ้าค่ะ คุณรักจังคุณธิดาการที่เราควรหาเวลาเพื่อมาเข้าวัดหนึ่งคืนกับหนึ่งวันหมายถึงเราจะต้องมาเพื่อบวชชีพรมปฏิบัติธรรมถูกต้องไหมเจ้าค ะ, ะเวลามาอยู่วัดเขาให้ถือศีลแปดกันเป็นอย่างน้อยเะไรนี้เรียกว่าบวชชีพรมก็ได้บวชแต่คำจที่เป็นเ่เป็นการปฏิบัติเนี่ยขำมะ การละเว้นจากการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคำถามจากคุณทีฆาธนาทำอย่างไรจึงจะลดความยึดติดความอยากในรสชากาแฟให้ได้ตอนทานคิดว่ามีความสุขแต่ตอนหลังมักจะเป็นทุกข์มากกว่าเนื่องจากป่วยจากการรับประทานเกินอยู่บ่อยๆและลดยากมากเจ้าค่ะขอบา ร, รมีพระอาจารย์ช่วยแก้กิเลส ต, ตัวนี้ด้วยเจ้าค่ะ ก็ทุกครั้งที่เราอยากจะดื่มของเหล่านี้ก็คิดถึงผลคือความทุกข์ที่จะตามมาดื่มมากๆ ก, ก, ก็จะเกิดโทษกับร่างกายทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้มคุณหมอมีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีนะ ใครมีก็เดี๋ยวรอคำถามเข้าเข้ามาจะทำอะไรก็ให้คิดถึงว่ามันเป็นทุกข์ทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพียงแต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เรามองเห็นว่าเป็นสุขแต่พอทาเข้าไปแล้วถึงมารู้ทีหลังว่ามันเป็นทุกข์เพราะของที่ให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความสุขให้กลายเป็นความทุกข์ได้เพราะของเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน มีเจริญก็มีเสื่อมมีเกิดก็มีดับเวลามันเจริญเวลามันเกิดมันก็ทำให้เรามีความสุขเวลามันเสื่อมและเวลามันดับมันก็จะทำให้เราทุกข์เช่นเวลาไม่อยากจะมีแฟนพอได้แฟนมาใหม่ๆแล้วก็มีความสุขกับแฟนแล้ววันดีคืนดีแฟนจากเราไปกระทันหันขึ้นมาความสุขที่ได้จากแฟนก็หายไปความเศร้าโศกเสียใจก็จะเข้ามาแทนที่ ดัน้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมีดับมันไม่ยั่งยืนถาวรได้อะไรมาแล้ววันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการสิ้นสุดลงพอเกิดการสิ้นสุดลงมันก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดงั้นพยายามพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ทุกเพราะ่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราไม่สามารถครอบครองเป็นของเราไปได้ตลอดเป็นสมบัติผัดกันชม คำถามจากคุณปันน้อยเจ้าค่ะใช้บริกรรมพุทธโธแล้วหายใจไม่ออกแน่นในหัวมากผมต้องทำอย่างไรครับก็ใช้ส่วนมนลไปก่อนหรือฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยครับกราบหลวงพ่อครับสืบเนื่องจากเมื่อกี้หลวงพ่อครับสังขารที่มันมีเจตนาไม่เจตนา ไม่ครับหมาความว่าสังขารอยู่ดีคิดขึ้นมาก็คือว่าทํางานแบบออโตเมติกใช่ไหมครัใช่มันอาจจะเป็นนิสัยที่มันเคยคิดแบบนี้มามันก็คิดกองมันไปเรื่อยๆพอมีอะไรมากระตุ้นให้มันคิดมันก็คิดแบบนั้นไปเหมือนกับมีสัญญาที่มันเกี่ยวข้องกันใช่ไหมมีสัญญาเห็นภาพได้ยินเสียงอะไรทำนองนี้มันก็ไปกระตุ้นปฏิกิริยาของสังขารขึ้นมาได้อันนี้คือทํางานแบบออโตเมติกออโตเมติกไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจอืม ซึ่งอันนี้ก็ไม่เกิดไม่เกิดอก็อ น, นํายังไม่นําไปสู่วิบากเลยยังไม่ได้ออกไปทางกายทางวาจาถ้าเรามีสติเราก็ยับยั้งมันไว้แต่ถ้าเราปล่อยให้มันออกไปทางกายทางวาจาแสดงว่าเรามีเจตนาแล้วแสดงว่าคําพูดทุกคําการกระทำทุกอันเนี้ต้องถือว่าเป็นเจตนาแล้วมีเจตนานแล้วตายตองแล้ว เพียงแต่ว่าขาดสติหรือไม่ก็เจตนาอยู่ดีก็เจตนาอยู่ดีเจตนาอยู่ดีครั บ, รบขอบคุณครับนอกจากว่าเราไปพูดอะไรกับคนคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งก็เสียหายนี่เราไม่มีเจตนาไปทําให้คนนั้นเสียหายก็ก็เกิดขึ้นได้แต่มันไม่ผลกระทบอต่อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายเขาทําให้เขาเสียหาย พอดีมันเป็นผลกระทบจากการพูดของเราทําให้เขาเสียหายขึ้นมาอาจจะมีเวรก็ได้แต่ไม่มีกรรมไม่มีมีหลวงพ่อเออหลวงพ่อเคยเคยเคยสอนทรั้งหนึ่งที่ที่มีคนบอกว่าถ้าเกิดมีคนหมายความว่าพูดถึงพระองค์หนึ่งที่ที่บอกว่าเป็นเป็นพระเออหมายความว่าไม่รู้ว่าท่านเป็นพระดีหลวงพ่อบอกขึ้นอยู่กับเจตนาหมายควาว่าจะปรามาท่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับอขึ้นอยู่กับว่ารู้ไม่รู้ ท้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นหระคับหลวงพ่ใช่บางทีเราเจอพระพุทธเจ้าบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ก็อาจจะไม่เคารพไม่ศรัทธาก็ได้เพราะฉะนั้นการกระทําก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นโทษก็เป็นโทษเขาตรงที่เขาจะไม่ได้รับประโยชน์จะไม่ได้ประโยชน์อ้ามีศรัทธาก็จะได้ศึกษาได้คุยได้ฟังอะไรจากพระพุทธเจ้าก็อาจจะได้ประโยชน์เอาไปปฏิบัติได้ แต่ถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็มันก็ท่านพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังเแล้วก็ไม่เชื่ออยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นโทษในเรื่องขอ ง, ของการปรามาสใช่ไหมหลวงพ่อมันก็เป็นผลจากการที่เราไปไม่ศรัทธาเมื่อไม่ศรัทธาบางทีเราก็อาจจะไปปรามาสเขาได้ถึงแม้ไม่รู้ก็เกิดก็เกิดโทษได้ก็เกิดตรงที่ว่าเราไปว่าเขาอะ ถ, ถ้าเป็นถ้าเป็นคนปุตชนธรรมดาเขาก็อาจจะว่าเรากลับอ๋อครับ แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระอรหนันต์ก็คงเฉยๆไปผ่านไปครับเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้าข่าวอที่พี่หมอถามว่าสมมุติว่าพระอรหันต์เดินมาเราไม่ทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เราไม่ใช่หนูนะคะเราไปว่าท่านอย่าเงี้ยมันก็ต้องเกิดบาปกับกับผู้ที่ว่าสิเจ้าคะเพราะว่าถึงจะทราบหรือไม่ทราบว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่า กลายว่าใจไปไปว่าว่าท่านแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ว่าเหมือนกับว่าคนอื่นธรรมดาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราว่านั้นเป็นเป็นอาเลียบุคคลหรือไม่แล้วก็ว่าไปตามเหตุการณ์ที่เราปรากฏให้เรารับรู้ก็อาจะทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ไปว่าเขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ก็มันนีก็มันถ้าจะมีผลก็มีผลจากคนที่เราไปว่าเขาเราไปว่าเขาเขาอาจจะโกรธเราก็อาจจะกลับมาว่าเราเจ้าค่ะเท่นั้นเอง แตราก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมแบบว่าไปไปทําร้ายพราะาอาหารหรืออะไรกันมันไม่มันไม่เกี่ยวกันอ๋อระดับบาปก็ยังเท่ากันแม่แ<ช>ม่<ช>แตไปทุบตีท่านถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรมันก็ไม่ได้ถือว่าเราติเราทุบตีผ้าเราทุบตีคนคนคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอริยะหรือไม่เป็นอริยะก็ตามเจ้าค่ะค่ะคราวนี้หนูของหนูเองเจ้าค่ะ หนูขออนุญาตเ ล, า เ, ลาเล่าความฝันของหนูให้ใหพระอาจารย์ฟังอาจจะดูเป็นเรื่องเรื่องไม่ใหญ่โตคะ่ะแต่ว่าหนูหนูก็ยังสงสัยกับตัวเองว่ า, อาสองสองสามคืนที่แล้วฝันว่าขโมยเข้าบ้านเจ้าค่ะแล้วก็เอาปืนมาจะยิงเราเราก็ไม่ต่อสู้เจ้าค่ะเราก็ยอมยอมแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ให้โจรเนี่ยเอาปืนยิงเราไปเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงผลของการปฏิบัติของเรา ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทําอย่างไรเร็วค่ะบางคนก็กลัวอาจจะหาปืนมายิงกับบางคนก็โปรง่งว่าสมบัติไม่ใช่ของของเราเขาจะเอาอะไรไปก็ปล่อยให้เขาเาไปเร็วค่ะมันก็เป็นผลจากการที่เราปฏิบัติในขณะที่เราไม่ได้หลับตอนที่เราตื่นตอนที่เราฝึกซ้อมเอาไว้เร็วค่ ะ, คะแล้วพออยู่ในฝันหรืออยู่ในเหตุการณ์จริงมันก็จะมีปฏิกิริยาของมันโดยอัตโนมัติเร็วค่ะ ก็ดีถือว่าเราปล่อยวางได้เจ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่หนีแล้วก็ยอมว่าเอ้ายิงก็ยิงเถอะเพราะว่ามันก็ก็สบายใจไปค่ะสบายใจแต่พอคืนติดกันเจ้าค่ะคืนติดกันก็ฝันอีกเจ้าค่ะฝันว่าแมลงสาบอยู่ในบ้านสามตัวตัวใหญ่มากเลยเจ้าค่ะโอ้แบบแย่เลยค่ะคือวิ่งเลยเจคือคือวิ่งหนีนี่วิ่งหนีวนอยู่ในนั้นเจ้าค่ะก็เลยมีความสงสัยว่าเอ อีกคืนหนึ่งเราต้มาซ้อมทำข้อสอบกับโบรศาสตร์มาอ้อันนี้อันนี้แก้ไม่ได้เลยอะแผ่เมตตาให้ใช่ไหมคะใช้ใช้ปัญญาก็ได้ว่าเขาตัวแค่นั้นเขาจะทําอะไรเราได้เขาตัวใหญ่เขาต้องกีดเท่าด้วยกันโอ้เขาไม่ตัวใหญ่ค่ะเขาตัวแค่นี้แต่เรารู้สึกว่าเราสามตัวพร้อมกันปกติจะเจอทีละตัวอันนี้สามตัวพร้อมกันในฝันแล้วก็ไม่รู้จะวิ่งไปไหนเจ้าค่ะวิ่งบนวิ่งไม่หลุดเจ้าค่ะ ถ้าอาจทำใจเป็นอุเบกขาพุโทโธพุโทโธเฉยๆไปปล่อยวางเออมเขาไม่ได้เขามาก็ปล่อยเขามาไปยอดอย่างมากก็แค่ตายค่คิดอย่างงั้นถ้าเขาจะมากัดเราตายก็ปล่อยเขากัดก็ตายไปคือไม่ได้กลัวเขากัดเราตายเพราะว่าเขาสู้เราไม่ได้เจ้าค่ะแต่ว่า <laughs> แต่ว่ามันไม่ชอบมันมันกลัวแบบห น, หน้าตาบุคลิกหน้าตาแล้วก็ความเร็วของเขาเนี่ยเรา เรารู้สึกว่าถ้าเขาชื่งช้าเนี่ยเราไม่กลัวเจ้าค่ะแต่เขาเร็วเกินไปเจ้าค่ะเราเราสู้ไม่ทันเลยเจ้าค่ะก็ต่างกันต่างอยู่ไปไม่ได้เลย <c oughs> เขามาเขาปล่อยเข้ามาเขาอยู่เขาปล่อยเขาอยู่เขาไปก็ไปล่อเขาไ ป, าไปโอ้มันทําย่าเจ้าค่ะทําให้เป็นอุเบกขากับเขาเนี่ยเจ้าค่ะก็ต้องฝึกไปฝึกฝึ ก, ก, กไปตอนแรกก็คิดว่าฝึกเอาแมลงสาบมามาดูบ่อยๆก็ก็ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ควรเจ้าค่ะอ่าก็ดีดูเอาวีดีโอที่มีแมลงสามมาให้ดูก็ได้ โอ้โอด้วยๆสอนใจให้ให้รักกับมันให้ได้เอาเีาว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็เกิแก่เจ็บตายเหมือนเรามีความรักตัวกลัวตายเหมือนเราเขาก็ต้องการความสุขเหมือนเรากลัวความทุกข์เหมือนเราอ่าเป็นเพื่อนกันได้แผ่เมตตาให้กันได้เอาเอาเป็นว่าแผ่เมตตาดีกว่านะเจ้าค่ะไม่ต้องเอามาดูไม่ต้องดูคาถามที่จะถามเรียนถามกราบหลวงพ่อคือว่า คืนแรกฝันว่าตายเออก็ยังว่าว่าแบบเออบผ่านได้คืนที่สแมลงสาบทำไมเรื่องแค่แมลงสาบทําไมผ่านไม่ได้ก็เป็นคนลาเรื่องกันไงเราทําข้อสอบอย่างนั้นได้แต่ข้อสอบอย่างนี้เรายังไม่ได้ทําการบ้านเราก็ยังทําไม่ได้ออเก็ต้องมาทําการบ้านเพ<อ>ที่เราจะได้ทําข้อสอบนี้ได้ต่อไป อ, อ๋อเจ้าค่ะคือถ้าเราแผ่เมตตาให้แมลงสาบบ่อยๆแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราเหรอเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ได้แผ่เพื่อม่ให้เขามายุ่ง แต่เพื่อให้เรารักเขาให้ได้ให้รักเขาให้ชอบเขาถ้าเรารักเขาชอบเขาเราก็จะอยู่กับเขาได้ตอนแรกเราก็ไม่ชอบเขาแต่ตอนนี้เราก็ไม่เราก็เฉยๆกับเขาค่ะแต่เราแค่ไม่อยากอยู่ใกล้เขาเฉยๆได้ก็พออย่าไปอยากไม่อยู่กับเขาเพราะความอยากไม่อยู่ทําให้เราทุกข์ใจก็คือให้ทําใจเราให้เฉยๆกับเขาใช่เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็เป็นอนัตตาอันนี้จังเขาไปไปมามา ห้ามเขาไม่ได้เข า, าจะมาก็มาเขาจะไปเข้าไปอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็อีกอันสุดท้ายเจ้าค่ะเออถ้าเกิดสมมติเราไปในทุกทุกที่แล้วเราได้สัมผัสเออได้ยินเสียงได้เห็นได้ได้เอ่อได้กลิ่นอะไรในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเจ้าคะคนอื่นมองไม่เห็นให้เราเฉยๆไปนะเจ้าค่ะใช่ก็ให้รู้เฉยๆไป ก็เหมือนกันรู้ว่าเป็นตายรักไปเป็นของไม่เที่ยมเกิดแล้วก็ดับอนัตตาเราก็ห้ามของไม่ได้เขาจะมาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปไม่ไม่ไปทักไปถามอะไรนะเจ้าค่ะไม่จําเป็นนอกจากว่าเราเราอยากจะรู้ก็ลองถามก็ดูถ้าถามได้ก็ถามได้หรือไม่ก็แผดเมตตาให้เขาไปใช่ไหมเจ้าค่ะก็ได้หรอุเบกขาก็ได้ก็เฉยเฉยไปอ๋อเจ้าค่ะกลับมาพบคุณเจ้าค่ะอ่าเจอเห็นความกลัวเลยเจ้าค่ะ คือนั่งสมาธิเจ้าค่ะแล้วตั้งไปแป๊บเดียวมันจะเห็นกระดูกคือมันมักจะเริ่มจากกระดูกของครูบาอาจานก่อนแล้วก็กลับมาเป็นโครงกระดูกของตัวเองแล้วบางทีพอพิจารณาไปแล้วมันระเบิดเจ้าค่ะก็ดีก็รู้ว่ามันเป็นไม่เทีย่ยงของไม่เทีย่ยง วันหนึมันก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมก็กลับคืนสู่ดินไปเป็นธาตุดินไปมันจะเห็นได้เร็วขนาดขนาดนี้เลยเหรอเจ้าคะเพราะว่าได้จิตมันเดิยจะตายไปเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บมันระเบิดปั๊บเลยก็ได้กลายเป็นดินไปเลยก็มีแล้วทําไมมันยังขี้เกียจภาวนาเพราะเรามันคนต่อเนื่องกันไงการภาวนานี่เราเบื้องต้นคนจะภาวนาให้จิตสงบ ถ้าจิตสงบแล้วเรามีความสุขเราจะขยันภาวนาแต่การเห็นอะไรในขณะที่ภาวนานี้มันยังไม่ทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาก็เลยทําให้เราไม่มีไ ม, มไม่มีฉันทะไม่มีความยินดีแต่ถ้าเราทําจิตให้รวมเป็นสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกมีความสุขมากสุขยิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาเกิดความยินดีที่อยากจะภาวนาเกิดความเพียนขึ้นมาฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งไปทางวิปัสสนาะ มามาทางสมถะก่อนทําใจให้รวมเป็นสมาธิให้เกิดความสุขใจขึ้นมาก่อนเมือเกิดความสุขใจแล้วเราก็จะอยากจะภาวนาบ่อยๆเพราะแทนที่จะหาความสุขจากลูกเสียงกีดล้นเรามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าเราก็จะขยันภาวนาแล้วต่อไปเมื่อเรามีฐานของสมาธิแล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่อไปปัญญานี้มีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจมากกว่า เวลาที่เกิดความเศร้าโศกเสียใจเช่นสูญเสียใครไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาเขาด้วยปัญญาว่าเขาไม่เที่ยง<ม>เขาเกิดแล้วก็ต้องดับเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เป็นเหมือนปรากฏการทางธรรมชาติถ้าเราอยากให้เขาไม่ตายเราก็จะทุกข์ถ้าเรายอมรับว่าเขาตายไปแล้วเราห้ามเขาไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์อันนี้เรื่องของปัญญาแต่เรื่องของการให้มีความสุขกับใจนี้ ต้องใช้สมถใช้สมาธิถ้าใจไม่มีความสุขใจก็จะปล่อยวางไม่ได้จะยอมรับอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เขาจากไปแล้วก็ยังอยากจะให้เขากลับมาอยู่ดีอยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าเรามีความสงบจากสมาธิแล้วเขาไปก็เราก็ไม่เดือดร้อนเรามีความสุขในตัวเราเองได้เราก็ปล่อยได้ดุดความอยากได้ เรายิ่งภาวนาไปเราจะเห็นความเลวของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นกิเลสด้วยว่าอย่นว่าเห็นความเลวเลยเห็นกิเลสของเรามากขึ้นชัดขึ้นเพราะสติเราไวขึ้นเราหันมาดูที่ใจแหล่งที่เกิดกิเลสก็คือใจของเราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้อยู่ที่ใจของเราแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยเข้ามาข้างในเรามองแต่ข้างนอกแล้วเข้าไปว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อจริงความไม่ดีมันอยู่ที่ใจของเรา เราไปเกลียดเขาเองเราก็ไปว่าเขาไม่ดีถ้าเรามีสมาธิเราจะเห็นตัวกิเลสอยู่ในใจเราตรงนั้นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็อยู่ในใจของเราไม่ใช่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แทนที่เราจะไปแก้เขาแล้วกลับมาแก้ที่ใจของเราแก้ที่กิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราหยุดมันเสียพอหยุดมันปับ๊บมันก็ใจก็หายหายจากความทุกข์หายจากความวุ่นวาย ให้เมืองทอดพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบก่อนต้องมีฐานของสมาธิก่อนแล้วต่อไปเราก็จะสามารถใช้ปัญญาดับความทุกข์ทางใจได้เวลาเกิดกิเลสเราก็ดับกิเลสได้หยุดกิเลสได้เวลานั่งสมาธิมันจะวนไปที่อสุภะทุกครั้งเลยอะเจ้าค่ะก็อยา่าปล่อยมันไปเลยให้ยึดอยู่กับพุทโธก็บังคับให้มันอยู่กับพุทโธไปต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวใจไว้อสุภะมันก็เป็นรูป รูปอย่างหนึ่งที่มันมามาป่วนเรามันจะทําให้เราไม่สามารถทําใจให้สงบได้นอกจากว่าถ้าเราไปไปดูอสุภะก็ต้องเพ่งอยู่อสุภะอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันไปที่อื่นให้อยู่กับอสุภะไปตลอดไม่ให่ปล่อยให้มันวิ่งไปวิ่งมาทําให้มันอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงจะนิ่งได้ถึงจะสงบได้ถ้าจะอยู่กับคองกระดูกก็ให้มันมีแต่คองกระดูกตลอดเวลา จวามจิตจะรวมนเป็นสมาธิขึ้นมาเข้าใจนะจอย่าปล่อยให้มันปรุงแต่งผลิตนุ่นภาพนุ้นภาพนี้ขึ้นมาอันนั้นอาจจะเป็นวิปัสสนาแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปที่วิปัสสนาเราต้องไปที่สมาธิก่อนอขอคำถามสุดท้ายนะพระเวลาก็หมดแล้ว <c oughs> มีไหมมีเจ้าค่ะ คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิเจ้าคะ่ะสมาธิกับกรรมฐานมีความแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะสมาธิแปลความนิ่งสงบของใจใจนิ่งใจสงบเราเรียกว่าสมาธิกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดเพื่อจะเพื่อที่จะทําทให้ใจเป็นสมาธิเราต้องมีกรรมฐานเช่นพุโทโธนี่เป็นกรรมฐานหรือลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐาน การนั่งสมาธิให้จิตเนิ่งสงบเป็นสมาธิต้องมีกรรมฐานผูกใจไว้โอเคเนื okay, ่อ ว, วันนี้เวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิริศพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอา